ก็จะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดไม่ใช่สิ่งที่จํามาเป็นสิ่งที่พบเห็นมาเห็นก็พบเห็นอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละไม่ได้เห็นนอกตัวนอกกายในใจไปไหนเห็นอยู่ในกายในใจของเราเนี่ย ม่มากมายหลายหมืน่นพันเรื่องเรียกว่าตู้กระจดปไปตกเห็นนั่งอยู่เนี่ยมีอะไรหลายอยา่างมีบาปมีบุญมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ด้วยอันทีก็เป็นเปรดเป็นจุนลกายเป็นสันนิลกก็นี้ถ้าเราไม่ศึกษามันก็จะ ลองโทษเราางอยา่างลองโทษจนเกียนตายสต่เราศึกษาก็โอ้เป็นประโยชน์ประโยชน์แก่ตัวเองเลาไม่พอยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอีกแการศึกษาชีวิตที่รวกเยอดก็คือวิชากรรมฐานเรียกว่าวิปัสนาทุระเอากายเอาใจเป็นตำรา ตอสติเป็นลำศึกษาเนี่ยดูเอามันรุ่นรุ่นเนี่ยมันต้องมีวิธีอะไรต่างๆไม่ต้องไปเพ่งกัสศีลไม่ต้องไปบริกรรมตรงเข้าไปอะไรที่เป็นตัวรูปเรียกว่าตรงแล้วไม่ต้องเอาบริกรรมมาขวางมากัน้นการเดินก็ไม่ต้องว่าหรอกซ้ายย่างหนองขวา ย, ย่างหนอไม่ต้องว่า แล้วไม่ต้องเดินย่องหยองยกส้นน้อย่างนอลงนอเหยียบนอถูกนอกดน้อไม่ตรองวะมันขวางกันความรู้สึกตัวลู่ลู่ตรงไปเลยลูตรงไหนลูตรงไหนก็ได้ความลูกไม่จํากัดขอบเขตว่าจะเป็นความลู่สึกก็ใช้ได้ไม่ตรองมาเรียไม่ต้อ ง, องเอาลงตรง ปาดเท้าเหยียบพื้นบางทีเวลาเรียงไปก่อนที่กว่าที่จะมันถึงพื้นเวลาจะเดินมันเหรี่ยงมันยกมันย่างมันไปทั้งหมดหลักคือตัวลูกถึนตัวลูกก็ถือว่าถูกต้องนะไม่ต้องไปหาอะไรอีกจบแล้วอ่ความรู้สึกตัวก็ถือว่าจบแล้วสมบูรณ์แบบวความรู้สึกตัวยกมันงจางยังว่า อณะที่มือยกขึ้นยกลองอยู่นี่มันแหวกไปในอากาศลู่ตามไปเอาไปไม่ต้องหรอกลู่ลสุดไปใช่ได้ละลู่ไปกับมือที่มันยกก็ใช่ได้นี่ลู่สุดตัวเวลาใดที่มันคิดไปก็ลู่เวลาใดที่มันคิดลูกไม่ต้องไปหาความทีก่อนที่มันจะคิดมันเป็นอะไร ทำไมมันยังคิดไปมันตั้งต้นจะต้องไหนไปคําหาเหมือนกับนกจับไม้ไม่มีรอยเวลามันบินไปแล้วมันลอยมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาหรอกแต่เวลาไรเซมันชิดโลดถูกต้องแล้วแล้วก็กลับมากลับบริบทที่เราตั้งเอาไว้แบบนิมิตนิมิตเหมือนกับหลักซะเหมือนกับหลักสติเหมือนกับเชือกซะอ โผล่แต่ว่าสมมติว่าเราไม่กายเราไม่กิดเราไม่กิดสักอะไรที่มันไปเชือกเชือกคือสติรู้สัมผัสหลังจากเชือกโผลสนตะภคยโวควายมันก็สัมผัสหมดออกก็รู้สึกก็กลับมามันไม่ไปเวลาจะไปที่ใดสัมผัสกับเชือกหมดรู้สึกเอโวควายทุกอย่าก็ อลูกเชือกพอเชือกมนม่อํานาจมันก็ไม่ดื่นไม่ดึงก็เรียกว่าเขาโบราณเท่าไหร่มันเป็นเชือกหัวควายตัวไหนที่มันเคยปลูกเชือกมันก็เป็นเชือกต้องการกระดิกนิดเดียวกระดิกเชือกนิดเดียวมันลูกความหมายบางท่านที่เชือกอะไม่ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ร่าสัมผัส กระดิกนิดเดียวจะให้มันไปทางขวาก็ไปทางขวากระดิกนิดเดียวก็จะให้ไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายกระดิกนิดเดียวก็จะให้มันหยุดมันก็หยุดหยุดกระดิกนิดเดียวก็จะให้มันเดินมันก็เดินเรียกว่ามันเป็นทําให้มันเป็นการที่มันเป็นมันสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสอยู่เรื่อยๆใครก็ตามเป็นเด็กหน่อยเป็นผู้ใหญ่ถ้าจับเชือกแล้วมันก็ลู่เรื่องอ่าก็มันเป็นเชือกแล้ว การสอนตัวืองก็เหมือนกันแหละกายเป็นนิมิตเดินจงกรมบ้างยกมืสร้างจังหวาบ้างเวลาใดที่มันหลุดออกไปจากนิมิตแต่มันก็มีเชือบอยู่คือสติรู้อยู่มันรู้อยู่มันก็รู้จับกลับมาพ็ถูกสอนอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่มันไปมันรู้ถูกสอนอยู่เรื่อยๆสอนจิตเมื่อจิตถูกสอนเมื่อจิตถูกสอนอยู่ มันก็ธรรมดา rude, มันก็เป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติก็เลยมันก็เลยเป็นมันเป็นยังไงส letter, them, อนจิตจิตมันเป็นมันมันเป็นยังไงมันรู้มันผิดมันถูกมันรู้ผิดมันรู้ถูกมันเจษต์ผิดมันทําถูกมันทําถูกเป็นไม่ต้องไปบอกมันนั่มันผิดนั่นทําถูกเป็นแต่ก่อนไม่เคยสอน เมื่มันผิดมันทําถูกมัเป็นทำไมต้องไปด่ากันจนไปส่องไปทะเลาะวิวาทกันจนจะต้องไปทุกข์กันจะต้องไปโศกกนจะส่องไปโกรธไปโลภไปหลงมันทำให้เป็นตอนมันถูกสอนไปถูกสอนไปมันโูภไปโลภไปมันก็ทําเป็นแล้วมันหลงก็เปลี่ยนเป็นไม่หลงเวลามันผิดมันก็เปลี่ยนเป็นถูกเวลามันทุกมันก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์เวลามันโกรธมันก็เปลี่ยนเป็นไม่โกรธนี่มันก็เรียกว่ามันเป็นนี่ว่าโซ ธรรมชาติธรรมชาติมันสอนธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มันสอนไม่มีอะไรสอนธรรมชาติเนสอนมันมันผิดความผิดก็สอนให้มันทุกความทุกข็สอนให้มันทุกถ้าเราไม่สอนตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเนี่ยเอาเจงๆแล้วมอบให้ธรรมชาติเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาตินี <c oughs> มีทุกข์จึงเกิดธุระเจ้าขึ้นมาทําไมมีทุกข์โคตรเจ้ามาดิตัดสชลุม ล, า ม, ลมาดิทิขอบคุณความหลงทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาขอบคุณความหลงอย่าไปเกี่ยวข้องกับความหลงแบบคิดเวลาใดที่เรานั่งยกมือเวลาใดที่เราเดินมันคิดหลงไปอ่าคิดหลงไปอย่าไปอย่าไป พอใจหรือไม่พอใจกับความหลงอย่าไปพอใจหรือไม่พอใจกับความถูกต้องความสุขความทุกข์เพียงแต่เรารู้เท่านั้นตัวเฉลยตัวรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยไม่ต้องไปถึงความพอใจหรือไม่พอใจหรอกไปไกลมันไกลมันไกลไปแล้ว่าพอใจหรือไม่พอใจ่าไปผิดหรือไปถูกมันไกลไปแล้ววันผิดเป้าไปแล้ว มันก็ยิงไม่ถูกแล้วมันข้ามมันรอดมันซ้ายมันขวาไปแล้วไม่ตรงถ้ารู้สึกเนีเอออันนี้ไม่เผิดต้องเต้ตรงเต้เนี่ยคือปฏิบัติตรงตรงแท้ๆแหละตัวนี้ยไม่ข้ามไม่รอดไม่ซ้ายไม่ขวาต้องนั่นนีลอะไรนี่ยใ้รู้ตรงนี้ให้รู้สึกตรงนี้รู้สึกตรงนี้ ผิดก็ยิ้มได้ถูกก็ยิ้มได้สุกทุกอะไรก็ดูมันนอ่ามันอันเดียวเท่า น, นั้นแหะตัวดูเนี่ยหนึ่งเดียวตัวดูเนี่ยเอเป็นเหรอโอ้มากมายหลายเรื่องทีเดียวเลยแหละแต่ดูเนี่ยโอ้ตัวเดียวรัดเนี่ยมือเดียวกุญแจอดอกเดียวเป็นหลักษาคนเลยอโลตัวดูตัวเห็นเนี่ย แล้ก็สะดวกมา อ, อะไรจะมาก็มาอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะผิดก็มาไม่กลัวหรอดูนอยู่นี่ดูมันอยู่นี่นั่งอยู่กติของเราเอิ่นตะวินธบตัตรฝาครบแล ะ, ะฉันอยู่กับผู้คนอะไรก็ตามดูของเร า, มามไม่หลักเลยแหละว่าไม่หลักดูมันมีหลักเฉลยมันเป็นหลักชากลของเขาธรรมชาติเนี่ย มันไม่มันไม่เหมือ น, นสากลของอโลกหรือสากลของคณิตศาสตร์อสองเป็นสิบาสามสิบห้าก็เป็นนอกเป็นนอกตัวเป็นหลักกําหนดอื่น <c oughs> แต่ว่าเคล็ดของเราก็หลักเดียวเป็นสูตรเสูตรตัเดียวสติปัฏฐานสูตร <c oughs> เป็นสูตรตัเดียวที่มันเป็นหลักสากล แปดหมื่นสี่พันหยักอยู่ตรงเนี้เรามีสูตรของตัวดูตัวเห็นตัวลูกสร้างตัวลูก อ, อยู่คนเดียวก็พอใจไม่กลัวเลยถ้าเป็นตัวลูกแล้วนะอ่าแต่มีใครหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นตัวลูกอยู่มั่นใจในความมั่นใจมันจะไปไหนไมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตอนอ้ายก่อนไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนเนี่ยเราหลังกับพวกเราอยู่ใน วันนี้แหละเหมือนกับปีนี่แหละนี่แต่ผู้หลับผู้ใ่ตั้งใจปฏิบัติกันทุกชีวิตหวางคนก็หลงหลงไปร้อ ง, ห, อองห่มร้องให้เรานั่งอยู่กติไจเยินเสียงคนร้องให้หวังคนก็ร้องอะไรหลายอย่างเราก็ลูกของเราเก็เดินไปดูไปถามเขาดู เขาพูดออกมาบางครั้งมันหายใจไม่ออกบางทีมันก็โล่งเกินไปบางทีมันก็แน่นแสดงว่าเขาไม่รู้นะความรู้สึกตัวนมันจะไม่จะไปอยู่ตรงไหนมันหายใจไม่ออกก็โล่สึกมันมันโล่งเกินไปก็โู่สึกมันเป็นอาการในตัวนอกตัวมันจะมีอะไรก่อนช่างมันเราลูบของเราอย่เนี่ยโอ้ยเรารับรองไม่เป็นมันเขาพูด เดี๋ยวผมขอเถียนผมไม่เป็นอย่างนี้เราผมกอกไม่ต้องเป็นห่วงมันจะแน่นอะไรเราลู่อยู่เนะี่ยมันแน่นหน้าอกต้องเทคนิคของเรามีเยอะแยะไม่ใช่อย่าไปจนหายใจไม่ออกมันแน่นมันเครียดดูถ่องป้าดูต้นไม้เอาความรู้สึกออกไปถนอมก่อนอย่ามาคุมคุ้มเกินไปมันก็กระเละทะลายน มันก็ลราบีบเข้าอขนมกีนขนมกีนมันไม่รู้เล็กๆเรา บ, บีบมันออกตามรูมันเป็นเส้นต้องมีจังหวะพอดีกับเส้นมันต้องระวังมือทด่นวดบีบออกไปมันไหลแรงเกินไปมันไม่ออกรูออกรูไม่ทันมันก็แตกค้ามันแตกไปหรือถ้าบีบกระท่อนกับแท่นมันก็เส้น สั้ น, นไม่สวยกำเบบการศึกษาชีวิตของตนเองก็เหมือนกันลีดจนเกินไปอยากโลอยากโลอยา่างเข็ยนอะไรเวลามันผิดก็เป็นผู้ผิดเกินไปเวลามันถูกก็เป็นผู้ถูกเกินไปหมดตัวกับความผิดหมดตัวกับความถูกหมดตัวกับความรู้หมดตัวกับ ค, ค, ค, ความไม่รู้มันไปแล้ว รู้ก็ดูมันมันไม่รู้ก็ดูมันมันผิดก็จะต้องดูมันมันโทรก็จะต้องดูมันตรงเนี้ยตรงนี้แหละคือคือหลักปฏิบัติตรนตรงนี้แหละตัวรู้จะเนี้ยแล้วมันก็สะดวกกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวนอกตัวมันสะดวกมันมีหลักกี่แล้วมันมีสถาบัน มันเป็นสถาบันการปฏิบัติไม่ใช่ในลั่วไม่ใช่วัตถุก่อสร้างมันเป็นตัวดูตัวเห็นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาไม่หวั่นไหวละมันเป็นสถาบันมันมันม่นคงมันครบถ้วนที่จะเอ่ยืนหยัดที่จะเฉลยอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องทุกโดยที่ไม่ต้องหลงไปกับอาการต่างๆ ความหลงก็ไม่กลัวคนทุกข์ก็ไม่กลัวความีสถาบันมันไม่หลักอยู่แล้วมันกับคุณหมอมันก็กลัวอาจารย์เวลาสอนหลูกสิทธ์มันไม่หลักอยู่แล้วมันมีหลักมันก็ใช่ได้มไม่หลักสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองห้าเป็นสิบนะมีหลักหลักฉเฉลยชีวิตลองเราก็มีนลั ความรู้ภาวะที่รู้สึกภาวะที่เห็นมันอยู่นะอะไรที่มันจะเกิดปฏิเสธไม่ได้เรียกว่าปรากฏการณ์แต่ว่าเราปฏิเสธการปรุงแตง่งการเข้าไม่เข้าไปเป็นตัวเข้าไปเป็นในเราปฏิเสธอะไรมันสุขก็ไม่ได้ไปสุขมันทุก ข, ข์ก็ไม่ได้เป็นทุกข์มันอะไรก็ตามเราจะดูเราจะเห็นมันอยู่นะ ตรงนี่แหละตรงมัดแท้ๆแหละตรงมัดแท้ๆผ่านได้ตลอดถ้าเป็นลติดสองซ้ายถ้าสุขก็ติดฝั่งขวาถ้าทุกก็ติดฝั่งซ้ายถ้ายินดีก็ติดฝั่งขวาถ้ายินไล่ก็ติดฝั่งซ้ายอ่าไปใช่ละมันไม่ตรงมันไม่ผ่านมันจะท่อนทรงทีงท่มันไหลตามรองคลองน้าถ้าติดฝั่งซ้ายมันก็ไม่ไปไม่ได้ถึงไหน ฟังขวาก็ไม่ถึงไหนการปฏิบัติก็เหมือนกันตัวดูตัวเห็นตัวรู้ตัวนหนล่องไปเลยล่ะเอียงไปไหลไปสู่มักสู่ผลเลยทีเดียวแล้วเจอก็ตัวรู้เจอก็รู้เชอก็หนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรินิพานลองทำดูมันสะดวกกว่าอย่างอื่น เป็นละมันเสียเวลาถ้าจุกมันก็เสียเวลาถ้าทุกข์มันก็เสียเวลาถ้ารู้ก็เสียเวลาถ้าไหม่รู้มันก็เสียเวลาสนุกสู้เราดูเฉยเฉยไม่ได้เราเคลื่อนไว้มันเราก็ดูมันไปรู้ไปถ้าอยากถ้ารู้มันก็ก็เกิดญาณเกิดญาณรู้รอบเห็นโูกเห็นนามเห็นโลกมันทำเห็นนามมันทำ แตดูด้วยนะดูตรงนันก็่าแจ่มแจ้งตรงนั้นทําแจ้งตรงนั้นอดูลูกกวลูกกวจะเลิศแจ่มแจ้งเปิดเผยดูน้ํา้ก็จะเลิอธรรมชาติของโลกธรรมชาติของน้ําอาการของโลกอาการของน้ํำทีมันกจะโสรบมันทับใส่กระเป๋าให้เรานิดเดียวกับมือเดียวไม่มากหรอกโลกทําน้ําทํำโลกทกน้ำทุกโลกโลกน้ําโลก จริงเรตัวรูตัวเห็นเนี่ยแหละแต่คราวที่จะต้องแกะแกงถ้าคราวที่จะต้องย่อยมันก็ย่อยง่ายง่ยไม่เป็นรุน่นเป็ น, น, นก้อนหรอกทำลายสักเพเหิุติธิไม่มีตัวไม่ตนแต่กอ่อนมันมีตัวไม่ตนเต็มไปหมดในรูปเนี่ะในน้ําก็มีตัวไม่ตนเต็มไปหมดรูดลงไม่รูดนะอกลมไหลก็มีแต่ตัวแต่ตนพอรูดแล้วมันย่อยออกสลายออก สับแต่ว่าไปเลยไม่ไม่อะไรนะต่อคำตอบก็มีอยู่ในนั้นแหละถูกผิดผิดก็มีอยู่ในนัน้นเป็นศีลอย่างไรเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญญาอย่างไรอะไรคือญาณอะไรคือฌานอะไรคือบุญคือบาปอะ่เปิดเผยออกมา การปฏิบัติทำบทวดสูตรของการศึกษาในกรรมฐ า, านการกระทาที่เราทำอยู่ในเคลื่อ<ม>นไหวมือไปเคลื่อนไหวเดินจงกรมคือกรรมตั้งต้นจากนี้ีกว่กรรมตอนนี้จะจำแนกไปจะไม่เจตนามีตัวลูกจริงๆริงเวลาใดทำไม่ลูกกรรมมันก็ไม่มีผล พอเป็นกรรมที่เป็นกระตตกรรมเป็นกรรมที่ศูนย์เปล่าถ้าเรามีเจตนาะรู้รูป้ปกรรมที่มีผลกรรมตัวนี้จะนแยกไปไปสู่วิปัสนาลู่แก้ภาวะเข้าสู่วิปัสนาเป็นภาวะที่ลู่แก้พ้นภาวะเก่าร่วมเกินภาวะเก่าต่างเก่าถ้ากรรมตัว น, นี้ขึ้นสู่วิปัสนาแล้วต่างเก่า ไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนเป็นคนขีดโกรธพอมันต่างเก่ามันก็ไม่โกรธแต่ก่อนเป็นคนขี้ทุกมันต่างเก่ามันก็เลยไม่ขีดทุกแต่ก่อนมันขีดหลงแต่นี่มันก็ไม่ขีดหลงแต่ก่อนง่ายที่จะ้องง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะทุกทำไปทาไปมันก็ง่ายที่จะไม่้ลงง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่ทุกสะดวกทางนี้แต่ก่อนมันไม่สะดวก ไลนิดหน่อยก็ เ, เอาแหละคอยที่จะกระทบกรเทือนอเจ็บเจ็บกระทบอ ม, ม, มันง่ายแต่ว่าง่ายที่จะลบหลีไม่ถูกแต่ก่อนอะไรก็ตัวเต็มไปหมดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นโลภเป็นลงทุกข์ทั้งหมดตอนนี้มันไม่ถูกไม่มีอะไรที่จะไปให้ถูกมันมีที่ตั้ง ความโกรธก็ไม่มีที่ตั้งให้ความทุกข์ก็มันมีที่ตั้งให้เห็นแต่รูปเห็นแต่นามเห็นแต่ธรรมชาติเห็นแต่อาการเห็นแต่สมุเห็นแต่บัญญตัติเห็นวัตถุเห็นอาการเป็นปละมัดร่วงทะลุอไปซัะออกไปหนดทะลุไปหนดอยฟาวไปเลยความโกรธถูกฟาวไปเลยไปไม่ตัวไม่ตนที่ตั้งมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเอาเอาลงไป ผ่านได้ตลอดชีดวิตก็ปลอดภัยไไม่มีอะไรหายตัวเป็นชีวิตสิลลบเหลือศูนย์ลบศูนแล้วก็นี่แต่ตัวแต่ตนกูมมันลบกูลบศูเหลือศูนย์ว่างเปล่าจากความหมา ย, ย่างความเป็นตัวตนไม่แต่ธรรมชาติไม่แต่อากาศมอบให้จริงเราวน่นไป ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณหลักการมันปวดมันมั่วยมันรอนมันหนาวมันหิวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแหละไม่ใช่มาอาไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์เป็นความถูกต้องโยงกัดมันเจ็บเป็นการถูกต้องแหละไมาได้ฉันข่าวเถอะนี้มันหิวฉันข้าวเมื่อเดียวเออถูกต้องแล้วมันหิวอ่โภมใจเถอะเวลาใดที่มันหิวโอ้จแสดงว่าธรรมชาตินี่ อยู่ในความปกติทีเดียวเลยสดชื่นอะไรใดมันหิวขึ้นมาโอ้พยานเราอายุปุณนี่มันหิวข้าวจนสันน่นเลยแสดงว่าใช้ได้แหละดีใจซะไม่ต้องไปทุกมันเมื่อฟิ็นก่อนนี่หลวงพ่อก็ไปถ้าจะพูดเราไปพูดไปเทศสิบเอ็ดวัด วัดป่าสุขโตตอนเช้าตอนบ่ายประเทศที่เก้าวัด <c oughs> ดันเย็นมาเทศที่้ามาไปหวานรวมแล้ววันเดียวสิบเอ็ดวัดเจองไหมคุมออืดล้า ง, ง <c oughs> ต, าตาเจแก่ได้ประเทศตั้งสิบเอ็ดวัดวันเดียวนะทำได้สิบเอ็ดวัดนะ ก็เป็นนัดเขานั่นแหละกาวัวนเนี่ยต้องมารวมกันทีเดียวนะพระทุกรูปต้องมารวมกันเอาวันปฏิมโมกเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อะเอาข า, ายกมาด้วยขอฉันเป็นแล้วกเทศแล้วการเทศ น, น, น, น, นมันก็คล่องๆแขงน่อยเหมือนกับตรงของพวกเราไม่เหมือนเลนะไม่หัวข้อใหญ่ประมาณจากสามสี่หัวข้อเสร็จหนึ่งละ การศึกษาอยู่นิ่งไม่ได้พวกเรานะการศึกษาใหญ่ๆอีกรวมลงก็มีอยู่สองคันาธาตุละและพิปัญสนาทุระต้องเป็นทุระพวกเราอย่าไม่เอาทุระอะไรทาไม่เอาทุระอะไรใช่ไหมได้คันาธาตุละก็คือเรียนตำราตำาาราอ่านคําสอนของท่านผู้ลูกโดยเพราะ เร า, เเ า, ราธรรมวินัยเนี่ยเป็นองค์ศาสดาธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสตราแทนพระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรต่างๆเรียนรู้พุทธประวัติเรียนพพรูน้มันสมองอยากรูก้อะไดต้องเรียนรู้ความรู้สึกคิดนึกของท่านพ่นนอนึน่งเห็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เรว่างกันสตลุลาศ อันที่สองคือวิปัสนาวิปัสนาธุระคือเนี่พวกเราทำรํำยังไงเห็นธุระเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยปฏิบัติตริยัติเป็นสองโดยเฉพาะวิปัสนาธุระเป็นหนึ่งนะสมัยขั้งพระเจ้าพระเจ้าปรินิาพานไปทางทำสังคนารขั้งที่สี่ที่ลังกาน่ยพระเจ้าปรินิพานไปแล้วประมาณ เจ็ดร้อยแปดอยปีจึงมาเขียนเป็นตำรับตำรับแต่่อนก็บอกบอกกันปากต่อปากี่ปัจจุบันทุละการศึกษาชีวิตลุน่นร่วนที่เราทำนี่ก็คือการศึกษายอยอๆแต่พูดว่านั้นพูดนานมาอันที่สองก็คือการเคยแผ่ อกเราก็ต้องรู้จักเผยแผ่แบ่งปันกันรู้อะไรก็แบ่งปันไปฝากกันชวนคิดชวนอ่านชวนรู้ชวนเห็นเห็นหยาดเห็นโยมเห็นใครทําผิดเห็นหยาดเห็นยมมาวัดเขากราบไม่ถูกก็ส อ, อนเขาว่าเผยแผ่โดยการบอกเล่าสั่งสอนโดยเผยแผ่โดยการทําให้ดูเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างที่อยู่อาศัยให้เป็นแบบอย่างจเจริญโหูจเจริญตา สะอาดสะดวกสงบเดินเข้ามาวัดที่ไหนที่ไหนให้สะอาดเรียบร้อยกานเผยแผ่อย่างฟาชีคีเนี่ยไม่ได้พูดจะคาเลยเพียงเดินบินธรรบาตให้อุปติสสมานุกปุษาเลวุลเห็นเห็นอุปติเห็นฟาชีคีเดินบินธรรมบัตรก็เกิดศรัทธาแล้วแล้วไม่ได้พูดอะไรหลวะวนี้คือการเผแผ่กิริยามารายา สมณะสาธกยวุดไม่ต้องพูดอะไรบางทีเรานั่งเราเดินเราไปไหนอุ้มบาทวินท บ, บาทเกิดศรัทธาได้ทำให้สร้างศรัทธาเดี๋ยวนี้ศรัทธาวิกฤตวิกฤตแทกศรัธทธาและเนี่ยนะบางทีขึ้นรถดยสาเนเ่ยไม่ ไปซื้อตัวเนียเขาไม่ขายให้ใช่ไหมก่อนนะใช่ไหมก่อนเนีหลวงพ่อไปซื้อตัวรถเนี่ยเขาไม่ค่อยขายให้เดี๋ยวหลวงพ่อนะซื้อทีหลังซื้อทีหลังพอเวลารถจอกพอเราไปซื้อเต็มแล้วไม่มีแล้วหลวงพ่อเต็มแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปเราก็ฉลาดนะเราก็ไม่โงงเราก็ไม่ไม่ไปซื้อให้โยมไปซื้ออ่ะเอาเต็มราคาเลยอะ เขาว่าเจ็คนสองคนเอาเงินเลยเขาเขาก็บอกเอาเต็มราคาเลยนะแต่ชื่อแบบนั้นหรอมากต่อมากต่กนะ่อนนะมันเขาเรียกว่าิกฤฤฤฤฤฤฤิแห่งศรัทธาเราเนี่จะต้องช่วยกันมาสร้างศรัทธาแต่าการใส่แผลหลายๆรูปแบบทาให้ดูดูให้เห็นโปรดใหงฟังอันที่สามก่อ สาธานูประการที่อยู่อาใช้ดูแลรักษาสมบัติพัสนสัญญทั้งหลายที่มีอยู่ในวัดวาอารามให้มันสะดวกสะดวกคืออะไรในเขาห้องน้ําก็มีน้าใช้ได้มีโซฟาเก้าอีึ้นนั่งได้มีที่นั่งก็นั่งได้ถ้าต้องไปจับไม้จับอะไรมากวดให้สะดวกซะหน่อยไปไหนมาไหนให้สะดวกสร้างความสะดวกน้นอนอยู่ในรั้ววัดวาอารามอยู่ในบ้านของเรา จะจบจะง่ายแต่น้อ ย, ยก็รู้จะดูข้องําตาให้มันลุ่มลื่นสักหน่อยนี่เรียกว่าสาธุงประกาศความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยแย่ผู้ไปผู้มาทันที่สี่ก็อะไรล่ะจำไมล่ละนะนี่ก็แ้งแล้วอ่ากับผัก